พอเราทุกคนเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วาย่อมปรารถนาความสุขในชีวิตถ้าความสุขในชีวิตจะมาเกิดขึ้นได้ในทัศนาของหลายคนก็คือว่าชีวิตต้องรับรื่นปรารถนาสิ่งใดนะก็ได้สิ่งนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ย ชีวิตของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันไม่ราบรื่นเสมอไปและจะมั่งมีแต่ก็ไม่ได้ว่าจะสีสุขไปทุกครั้งทุกคราวและจะมีอำนาจนะมีฐานะมีตำแหน่งแต่ว่าก็อาจจะพบกับความผิดหวังไม่มากก็ น, น้อย เพราะว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบอีกอย่างก็คือความคาดหวังคนเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆตอนเราเป็นเด็กเราก็คาดหวังอย่างหนึ่งแต่เมื่อเราได้ทุกอย่างอย่างที่คาดหวังเราก็มีความคาดหวังเพิ่มเติมซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะสมหวัง ไปได้ทุกเรื่องนะความผิดหวังความผูกครักไม่ราบลื่นในชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาในบทสนมนธรรมเชา้านะถ้าเรารู้ความหมายของภาษาบาลีก็จะมีประโยชน์หนึ่งที่ เราน่าจะสุดใจก็คือเรื่องที่ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่นีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์อย่างเอาแล้วหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าความทุกข์นี่มันอยู่ในตัวเรารอแต่ว่าจะสแสดงออกเมื่อไหร่อย่างเช่นเราหน้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสักพักก็จะปวดก็จะเมื่อยนะอันนี้ ก็เรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันมันอย่างมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลาแต่มันรอสแสดงตัวออกมาความทุกข์บางอย่างก็ดับได้ง่ายเช่นปวดเมื่อยเราก็เพียงแต่ขยับขยื่นกายความปวดเมื่อยก็หายไปแต่ความทุกข์บางอย่างเราไม่สามารถจะบรรเทาหรือว่าจัดการมันได้อย่างเด็ดขาด เช่นความแก่นะนะความแก่ความชาราซึ่งตามมาด้วยการที่เรี่ยวแรงกำลังวังชานะมันเสื่อมถอยไปและสุดท้ายก็ความป่วยนะความป่วยบางอย่างก็รักษาหายแต่ความป่วยหลายอย่างก็สุดวิสัยที่จะเยียวยาได้นี่คือเรียกว่าความทุกเนี่ยอย่างเอาแล้วความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วก็คืออะไรก็ไมาคําว่า ความไม่สมหวังนันเองนะความล้มเหลวอุปสรรคที่รอคอยเราอยู่เรื่องหน้านะความพัดพลาดสูญเสียนะในบทธรรมวัตรชาก็จะมีประโยช์อีกประโยคนหนึ่งสองประโยคคือว่าการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ทุกคนเนี่ยนะมีสองสิ่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็คือต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เช่นความเจ็บความป่วยอุปสรรคความล้มเหลวคําต่อว่าด่าทอสุดท้ายก็คือความตายส่วนการประสบกับสิ่งการพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจนะ อันนี้ก็เช่นการสูญเสียทรัพยนะ์การพัดพากับคนรักอกนะหักนะหรือว่าตกงานนะหรือว่าชื่อเสียงเกรตยลดนะเสริมสลายไปจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนี่คือความจริงที่รอเราอยู่เบื้องหน้าหรืออาจจะ ก, กาลังเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วในขณะนี้ก็ด้วยก็ได้ตอนนี้เราจะมีความสุขได้อย่างไร ข้ามกลางความเป็นจริงแบบนี้ซึ่งเป็นความจริงที่เราหนีไม่พ้นพุทธศาสนาเนี่ยในแง่หนึ่งหลายคนก็บอกว่ามองโลกในแง่รายพุ่มันเต็มไปได้วยทุกข์ทั้งนั้นแหละชีวิตนี้ก็เต็มไปได้วยทุกข์โลกนี้ก็คือทุกข์เกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะต้องพรดพาดจากของรักของห่วงของชอบของที่น่าคุนพอใจ แต่ว่าข่าวเดียก็คือว่าแม้สิ่งเหล่านี้แม้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเราแต่ว่าใจเราสามารถจะเป็นอิสระจากมันได้ใจเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยแต่ป่วยแล้วเนี่ยไม่ทุกข์ใจก็ได้แก่แล้วไม่ทุกข์ใจก็ได้ กระทั่งตายเนี่ยก็ยังไม่ทุกข์ใจก็ได้เหมือนกันพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีศัพยภาพนะที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์เหล่านี้ได้แม้มันเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นนะ น, นี่คือสิ่งที่เรานะควรจะทําความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเมื่อความทุกข์เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น ความพัดพลาดความสูญเสียเป็นสิ่งที่เราต้องประสบไม่วันใดก็วันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราทำได้นะแล้วควรทำมากก็คือรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ว่าเหตุระไจะเกิดขึ้นกับเราอย่างไรการรักษาใจไม่ให้ทุกข์เนี่ยเป็นไปได้นะและเป็นสิ่งที่เราควรทำด้วย นี่คืออย่างแรกนะที่เราควรจะควรจะตระหนักอยู่เสมอและประการที่2คือนอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์คือทำใจเป็นปกติได้แล้วเนี่ยสำหรับชาปุ้นแล้วเนี่ยยังมีอีกสิ่งที่เราทำได้และควรทำด้วยนั่นคือใช้ประโยชน์จากความทุกข์นอกจากเราจะไม่ยอมให้ความทุกข์มาบีคันมากระทัมย่ำดีกับจิตใจของเรา นอกจากการที่เราสามารถจะรักษาใจให้เปินปกติเรายังทำได้มากกว่า น, นั้นก็คือใช้ประโยชน์จากมันนะและการที่เราถ้าเร า, ากลับใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยนะความทุกข์เนี่ยมันสามารถจะมีแรงส่งให้เราเนี่ยให้จิตใจของเราเนี่ยจเจริญงอกงามได้จนสามารถจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้นะ นี่คือสองประการที่เราควรจะตระหนักแล้วก็ควรจะใส่ใจโดยเพราะในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราไม่สามารถจะควบคุมบังคับให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามใจเราได้เราไม่สามารถจะทาให้การจราจรในกรุงเทพเนี่ยนะมันสะดวกราบรื่นได้เราไม่สามารถจะควบคุมบังคับให้เราประสบความสาเร็จได้ในทุกเรื่อง เราไม่สามารถจะควบคุมบังคับให้ทุกคนเนี่ยพูดคำเพราะสนองหูกับเราหรือชื่นชมสรรเสริญเราได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยอย่างน้อยสองประการก็คือนะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้มินําซ้ำยังสามารถใช้ประโยชน์กับมันที่ทำให้จิตใจเราตเติร์องอกนานคนเราเนี่ยถ้าเรารักตัวเองเนี่ยนะ อย่างแรกที่เราควรทำก็คือไม่ซ้ำเติมตัวเองเราไม่สามารถจะ บ, บังคับเราไม่สามารถจะเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยพูดดีกับเราทำดีกับเราไม่เบียดเบียนเราแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราไม่ซ้ำเติมตัวเอง เมื่อมีคนด่าทอเรานะเราก็อย่าไปเอาคำต่อว่าด่าทอนั้นมามากรีดมาทิ่มแทงใจเมื่อมีคนขโมยเงินเราไปลักทรัพย์เราไปโกงเงินเราไปแม้เราจะไม่สามารถจะเอาเงินนั้นกลับคืนมาได้เอาทรัพย์เนี่ยกลับมา ได้อย่างที่เราต้องการแต่สิ่งที่เราควรจะทาก็คือว่าเมื่อจะต้องเสียก็ควรจะเสียอย่างเดียวก็คือใจเสียเสียเสียทรัพย์แต่ว่าใจไม่เสียถ้าเราปล่อยให้ใจเราเสียเนี่ยนั่นก็คือเรากาลังซ้าเติมตัวเองแท น, นที่จะเสียหนึ่งก็เลยเป็นการเสียสองอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นท่าทีเบื้องแรกนะเรียกว่าขั้นต่ำนะที่เราชาวพุทธนะควรจะ ใส่ใจแล้วก็ทำให้ได้พี่าเราทำได้สองประการเนี่ยนะก็คือว่านอกจากเราไม่ซ้ำเติมตัวเองด้วยการรักษาใจให้เป็นปกติไม่ว่าใครจะมาทำอะไรกับเรานะก็ตามและสองเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากความทุกข์เนี่ยเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแม้ว่ารอบตัวเราจะพันตัวอย่างแล้วก็ตามมีตัวอย่างที่นธรรมคิดว่ า, น, าน่าสนใจนะซึ่งสามารถจะเป็น อธิบายสองสองเรื่องนี้ให้เห็นชัดได้นะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยชา่างกรีดคนหนึ่งชื่อจอร์โรจร์เนี่ยวันหนึ่งแกก็กำลังเดินเล่นหน้าบ้านจู่ๆก็มีพี่ยญยงคนหนึ่งเนี่ยอายุก็ไม่มากนะสามสิบกว่าชนแกข้างหลังแล้วก็ผลักแกจนล้มชือแรกจอร์โรจบ์นีซึ่งอายุประมาณหกสกว่าเนี่ย แกเพื่อมีเพื่อนมาหลอกยอกรอแต่พอแกไปเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นแกก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครแกไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพอผลักแกนจนล้มแกผู้หญิงนั้นก็เอามีดเนี่ยมาทิ่มมาแทงตามตัวตามแขนตามขาถึงสี่สิบแผลแล้วก็ทิ้งจะไปปล่อยให้แกนอ น, นอนจมกองเลือดเดช บ, บุญมีคนเห็นก็พาแกส่งโรงพยาบาล แล้วก็ช่วยชีวิตให้รอดตายได้ในเวลาไม่นานเพียงนั้นก็ถูกจับแล้วก็เธอก็สารภาพว่าในช่วง 7-10 วันที่ผ่านมาฆ่าคนไปแล้ว3คนแล้วก็แทงคนเนี่ยบาทเจ็สาหัส3คนซึ่งรวมจอห์นโรเจอร์นด้วยทั้งหมดคนนี้แกไม่ได้มีความเครียดแค้นชิงชังอะไรเป็นส่วนตัวแต่แกเป็นลรจิต เมื่อจับผู้หญิงคนนี้ได้เนี่ยผู้สื่อข่าวนักสืบพินก็มาสัมภาษณ์จอห์นโรเจอร์ว่ามีอะไรจะบอกผู้หญิงคนนั้นไหมจอห์นโรเจอร์แทนที่จะโกรธก็กลับพูดว่าอยากจะถามเธอว่าทํากับผมอย่างนี้ทําไมคนธรรมดาเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนอกถ้าไม่โกรธแค่เนี่ยก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ว่าทําไมฉันซวยแบบนี้ฉันทำเคราะกรรมอะไรมาแต่แกก็ไม่มีน้ําเสียงแบบนั้นเลย ผู้สุ่อขาก็ถามต่อไปว่าแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขา บ, บ้างไหมแกตอบว่ามันทำให้แกได้คิดว่าวันนึงเนี่ยนะผมอาจจะเดินเล่นนะพาหมามาเดินเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วจู่ๆก็มีรถโดยสารวิ่งมาทับก็ได้มันทำให้ผมตระหนักว่าชีวิตนี่มันไม่แน่นอนเลยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำสิ่งที่ดีสุดเสียแต่วันนี้นะผู้ง่าคือว่าอย่าประมาทนะคือแทนที่แกจะเป็นทุกข์กับเหตุการณ์นี้แทนที่จะตีโพยตีพายมาทำไมฉันเคราะร้ายหรือซวยเหลือเกินแกกักหนึ่งรักษาใจปกติได้สองนะหาประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ว่าเออมันมาสอนเรานะว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่า ยาผัดผ่อนนะรีดทาเสียแต่วันนี้เพราะอาจจะไม่มีวันพรุ่งนะี้อันนี้ก็รู้จักใช้ประโยชน์จากความทุกข์ตนอะนนี้เนี่ยคำถามทีต่อไปว่าเราจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้อย่างไรหรือผู้ใหญ่ก็คือว่าเราจะไม่ซ้ําเติมตัวเองได้อย่างไรนะเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเราอย่างแรกทีนะ่มันจะช่วยได้เนะีคือการยอมรับความจริง เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยมันป่วยการที่เราจะโอนโวยวายตีโพ ต, ตีพายเพียงแค่ยอมรับความจริงเนี่ยมันช่วยทําให้ความทุกข์ลดลงไปได้เยอะแม้มันอาจจะไม่ทําให้สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ทําให้เราแย่ลงในชาวพุทธการเนี่ยนะมีพี่หญิงคนหนึ่งนะชื่อนางกีสาโกตมีเป็นผู้หญิงที่ฉลาด แล้วก็ดีแต่ว่าแล้วเธอก็ได้ครอบครัวที่ดีด้วยมีลูกที่น่ารักสองสามขวบเท่านั้นเองแต่จู่ๆลูกก็ตายเธอยอมรับความตายของลูกไม่ได้พุ่มศพลูกเนี่ยแฟนขายกับใครเนี่ยช่วยปลุกให้ฟื้นเพราะเธอเชื่อว่าลูกเนี่ยจะยังฟื้นคืนชีพได้ ใหรๆก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมรับนะจนกระทั่งมีคนบอกว่าให้ไปหาพระพุทธเจ้าตอนนั้นพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่กรุง อ, อยู่ที่เชตวันกรุงสาวัตถนีนางกฤษสาวัตถีก็ดีใจพุ่มศพลูกไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนีเห็นนานงกฤษสาวัตมีแต่กายก็รู้แล้วว่าสภาวจิตด่าเธอเนี่ยสอนธรรมะไม่ได้นะ จะพูดเรื่องอนิจจังทุก ข, งขงังอนัตตาจะพูดเรื่องความไม่เที่ยของสังขารเนี่ยไม่มีประโยชน์เข้าใจเธอไม่รับเหมือนกับน้ำคนจะแก้น้ําที่มีน้ําเต็มเนี่ยจะเติมอะไรลงไปเนี่ยมันก็ล้นหมดพุูธเจ้า ก, ก็เลยบอกว่าเราช่วยเธอได้เธออไปหาเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายนางก็ดีใจนะกลับเข้าไปที่กลุ่มสาวรัตถีแล้วก็ไปขอไปตามบ้านต่า ง, างๆขอเมล็ดผักกาดทุกบ้านก็มีเมล็ดผักกาดนั่นแหละนะแต่พอถามว่า บ้านนี้มีคนตายนะแต่และบ้านก็บอกว่ามีคนตายบางบ้านก็เสียพ่อเสียแม่บางบ้านก็เสียสามีบางบ้านเสียภรรยาบางบ้านเสียลูกบ้านแล้วบ้านเล่าเนี่ยนะก็รู้ล้วแต่มีคนตายทั้งนั้นเฉยละน้อยเฉยละน้อยเธอก็ยอมรับได้ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเลยที่ไม่ประสบบความพัดพลาจากคนรักไม่สูญเสียคนรักนะความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น นะกับทุกครอบครัวในสุดเธอยอมรับได้ยอมรับความตายของลูกได้พอนะยอมความตายลูกได้เนี่ยความเศร้าโศกข่คขวัญเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงในทีแล้วเธอก็เอารู่ไปไปเผาในสุสานแล้วก็ไปหาพูดาพ้ดจเจ้าพู้ดจเจ้าทีนี้รู้แล้วว่านางจิตของนางเนี่ยพร้อมแล้วนะที่จะฟังทำพระองค์ก็เลยแสดงธรรมน้ว่า น้ำป่าเนี่ยนะย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใดนะมัจจุราชเนี่ยก็พัดพาผู้ที่ติดยึดหลงไหลในทรัพย์ในคนรักนะฉะนั้นนะคือพัดพาสู่ความทุกข์นางพิจารณาคร่ำครวนโดยใสประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมาก็เห็นจริงอะที่พูะเจ้าตรัสปัญญาก็เกิดนะ จิตก็สว่างโปรงได้เป็นพระโสดาบันนะทนั้งที่ก่อนนั้นๆยังแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่เลยทีนี้เนี่ยการที่การที่นางกีสาวกตมีเนี่ยนะผ่านความทุกข์ตรงนี้มาได้เนี่ยจุดสําคัญคือการที่ยอมรับความตายของลูกยอมรับว่าลูกตายแล้วยอมรับเพาเห็นว่าความตายเป็นธรรมดาใครๆก็สูญเสียทั้งนั้น ลูกเนี่ยไม่สามารถจากับคืนมาได้แต่ว่าแทนที่เราจะเสียแทนที่เราจะเสียทั้งลูกเสียทั้งสุขภาพจิตตนกระทั่งการเป็นคนวิกลตรนถึงเราสามารถจะเสียได้เพียงแค่อย่างเดียวคือเสียลูกแต่ว่ารักษาใจไม่ให้เสียและใจที่ไม่เสียนี่แหละนะสามารถจะเป็นพื้นฐานสู่การบรรลุธรรมได้ความทุกของคนเราเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเกิดจากการที่ยอมรับความจริงไม่ได้พอมันยอมรับไม่ได้มันก็ต่อต้านผักไสมันไม่ ทำให้จิตใจแย้มแย้เมื่อวานเนี่ยตมาได้เจอเพื่อนคนหนึ่งนะเธอเป็นผู้หญิงอายุก็สามสิบสี่สิบต้นต้นตเล่าว่าเมื่อสองสาเดือนก่อนเนี่ยได้จาริกนะไปยังสถานที่ในประเทศอินเดียที่ชื่อว่า valley of flowers ก็อยู่แถวบริเวณต้นน้ำคงคาอลตมาก็ไปมาแล้วนะเมื่อสามสี่เดือนก่อน แล้วก็เป็นเส้นทางที่หินโหดมากเพราะว่าโดยเฉพาะสาหรับคนเมืองเพราะว่าทางทางไกลแล้วก็ความสูงก็สูงมากนะพอเธอไปถึงบริเวณที่เขาเราียกแจงกาเรียเนี่ยซึ่งเป็นแค่ครึ่งทางเท่านั้นแหละความสูงระดับ 3,000 เมตร 3,400 เมตรเนี่ยเธอก็เกิดอาการปั่น ป, นปวนในร่างกายนะเขาเรียกว่าเป็นโรคที่เกิดจากความสูงคนไปที่เบร่ ก, ก็จะเจอคืนนั้นเธอแทบจะตายให้ได้ วิชาความรู้ที่มีเนี่ยไม่ว่าแล้วก็ตามเนี่ยไม่ว่าวิชาวิชาทางโลกหรือทางธรรมก็คุณเอามาใช้หมดนะัะแต่ว่าร่างกายไม่ไหวจะตายหัวใจเต้นเร็วนะหายใจไม่ค่อยออกตัวหนึงตัวหนึ่งเธอบอกว่าเออถ้าจะตายก็ตายใช่ไหมจะตายฉันก็พร้อมแนละ้วพร้อมจะตายแนละ้วพอคิดทางนี้เท่านั้นนะปรากฏว่าร่างกายก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะวันรุ่งขึ้นเนี่ย ถึงตอนเช้าเนี่ยนอกจากร่างกายนอกจากจิตใจไม่กระสับกระสายแนละ้วเพราะการยอมรับความตายได้บอกว่าร่างกายก็ดีขึ้นด้วยจนกรทั่งสามารถที่จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางคือ Valley of f l o w e r ได้เพียงแค่ยอมรับเนี่นะมันสามารถทําให้ใจนสงบลงได้เราจะฝึกได้ก็ง่ายๆนะเวลารถติดเนี่ยนะรถติดเนี่ยบางครั้งเราจะสมุดงิดมากเลย เพราะเรายอมรับไม่ได้ว่าทำไมรถติดนะทําไมมันติดในวันอาทิตย์ทำไมมันติดถ้าเราจะไปเวลาสี่ทุม่มันไม่น่าจะติดนะไอ้คําว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเนี่ยมันก็ทําให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าไม่ได้แต่ทันทีที่เรายอมรับตรหนักว่าเออมันเป็นธรรมดาใจเราจะสงบเลยนะแม้แต่เสียงวิงโทนเนี่ยถ้าเสียงวิงโทนดังนะกลางห้องเนี่ยหลายคนงุญญนะงิดนะงุนงิดก็ไม่ใช่เพราะเสียงนะแต่งุนงิดเพราะใจมันยอมรับไม่ได้นะ แต่พอใจมันยอมรับได้นะเออดังก็ดังไปใจสงบเลยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์เล็กน้อยหรือความทุกข์อันใหญ่หลวงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือการยอมรับมันเป็นเบื้องต้นก่อนรวมทั้งความเจ็บป่วยด้วยเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งหลายคนจะสึกบน่นตีป่วยตีาปทำไมต้องเป็นชั้นชันอุตสาห์ทำบุญรักษาศีลอุตสาห์ทอดกระถิ่นศาศาอทนอดผ้ปาป่ามาเป็นสิบยี่สิบสามสิปีทําไมต้องเป็นมะเร็ง ยิ่งใจยอมรับไม่ได้มันยิ่งทุกขนะ์อาการก็ยิ่งกําเริบแต่พอใจยอมรับแล้วเออมันเป็นธรรมดานะความทุกข์ใจมันจะหายไปและความทุกข์กายมันก็จะเพ่าลงไปไม่มากก็ น, น้อยยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้นะยอมรับว่าป่วยนะแต่ก็ต้องรักษานะอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะช่วยเราได้นอกจากการอยอมรับความจริงแล้วเนี่ยนะการรู้จักมอมในแง่บวกนะเหมือนก็ช่วยเราได้ มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะลองหาด้านดีของมันดูบ้างผู้ชายคนหนึ่งนะจะเป็นคนที่น้ำใจมากเลยชอบไปช่วยคนชนบทในถึงธุรกันดามมีครา น, นึงก็พา น, นักศึกษาหญิงชายเนี่ยนะไปช่วยเด็กในโรงเรียนแถวแม่ห้องสอนในอำเภอที่ห่างไกลามากพอเสร็จงานเนี่ยนะก็ ทั้งหมดเนี่ยก็นั่งรถกลับตัวแกจะไปจังหวัดตากระหว่างที่นั่งรถระหว่าที่นั่งรถกลับเนี่ยแม่้งสอนนี่โคง ม, มันเยอะเนี่โคงไม่เป็นพันเลยเพราะเกิดว่ารถที่คนเหล่านี้นั่งเนี่ยมันเกิดพัดตกมาแ ต, แต่โชคดีที่เเหวนี่มันไม่ลุนตอนที่รถเนี่ยพัดตกจากเขาเนี่ยแกก็ ผู้ชายนี่แกก็อธิษฐานนาขอให้นักศึกษาที่แกพามาเนี่ยทุกคนปลอดภัยก็ เ, เพราะว่าทุกคนปลอดภัยจริงยกเป็นตัวแกนะถูกกระแทกอย่างแรงเนี่ยนะอามาพาดไปครึ่งตัวหลายคนนะที่รู้จักเนี่ยก็มาตัดคอเวลามาเยี่ยมก็มาตัดคอว่าเนี่ยขนาดทาบุญนะทำไมต้องมาเจออุบัติเหตุแบบนี้ ปัพร้อมว่าทําไมทําดีแล้วไม่ได้ดูแต่การกลับบอกเพื่อนว่าเนี่ย <c oughs> ก็เพราะทาบุญเสร็จนะถึงเหลือตั้งเท่านี้เนี่ยคือเหลือครึ่งตัวนะคือถ้าไม่ทาบุญเนะี่ยปันนี้ก็หมดไปทั้งตัวแล้วคือตายถ้าจะมองแง่ดีนะว่าเนี่ยพอทําบุญเนี่ยจึงเหลือมาทึ้งครึ่งตัวนะจึงเหลือมาตั้งเท่านี้เนะี่ยคือคนวเราเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันป่วยการที่จะบ่นตีโพยตีพายว่าทําไมต้องเป็นชั้นหรือว่าโอ ทำไมท่านทาบุญแล้วถึงต้องมาเกิดเหตุแบบนี้แต่ในในเคราะห์เนี่ยนะมันก็ยังมีแง่ให้เราได้แง่บุญให้เราได้เห็นว่าเอ้ยมันก็มีแง่ดีนะถ้าเราไม่ทําบุญบปนี่เราก็ตายไปแล้วเมื่อปีห้าสามเนี่ยนะมันเกิดเกิดเอ่อเกิดเหตุร้ายในการกลุ่ม น, นะมีการเผานะตามย่าศูนย์การค้านะเราคงจําได้ ผนกันค้าละแห่งก็โดนเผาไปรนะ้านสุกี้ชื่อดังนะเนี่ยโดนลูกหลงไปสี่สาขาเสียหายไปหลายสิบล้านนะต้องปิดากิดการไปหลายวันผู้จัด ก, การก็มารายงานให้ซนะีอคุณวิทิระโกมงนะว่าตอนเนี่ยร้านถูกเผาไปสี่สาขาเสียหายไปเยอะเลยคุณวิทเนี่ยนะแทนที่จะเป็นทุกข์นะกับพูด ทำนองปลอบใจหรือว่าพูดให้ลูกน้องได้แง่คิดคุณลิศบอกว่าร้านเราเนี่ยถูกเผาไปสี่สาขาแต่เรามีต้องสามอยี่สิบสาขาแต่ทุกไปทำไมใช่ไหมเวลาคึกว่าเป็นสี่สาขาเยอะนะแต่พอเป็นึกว่าโอโ้เรามีต้องสา0รอยสยังเหลือต้องสามสบหเนี่ยนะให้สีสาขานี่มันเล็กน้อยไปเลยนี่นคือการมอง ที่มันจะช่วยทำอะไรเห็นไหะโอ้ยความสูญเสียมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากความสูญเสียอะไรก็ตามถ้าเราเติมคาว่าแค่ลงไปมันเล็กไปเลยนะถูกกงแค่แสนเดียวหรือว่าหายไปแค่โทรศัพท์มือถือหรือว่าถูกยึดแค่รถแต่บ้านและอะไรต่ออะไรก็ยังมีลองมองแง่ลองมองแง่บวกกันนิดดูบ้างนะมันก็ช่วยทาให เราสามารถที่จะอรักษาใจใปกติได้เราก็ต่อมาการที่จะปล่อยวางปล่อยวา ง, ป ล, วางปล่อยวางที่สําคัญนะในเมื่อเราเสียทรัพนะเสียของไปแล้วนะถ้าเราไม่ปล่อยวางเอาแต่คิดถึงมันเนี่ยนะเราจะไม่เสียแต่ทรัพย์นะใจเราก็จะเสียพอใจเสียเนี่ย เราไม่เป็นอัรกินันนอนทีนไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็เสียหรือถึงสุขภาพไม่เสียนะแต่ว่าไม่เป็นการทํางานพู่วมออกพรูร่มใจงานก็เสียแล้วบางทีเนี่ยก็ปล่อยทําให้สมรรภาพกับคนเสียไปเพื่อเ พ, อเพราะเราหงุดหงิดลำคาบนะเราก็จะล้อคนง่ายเพื่อนมายอมมัมันล้อเราก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ก็ด่ากันะก็เสียเพื่อนอีหลายคนเนี่ยนะปล่อยให้เสีย แทนที่จะเสียแค่หนึ่งนะกับเสียต้งสี่เสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพกายเสียงานเสียสมรรถภาพคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เสียมากเสียหมาขนาดนั้นนะก็จะเสียเพียงแค่อย่างเดียวเวลารถติดเนี่ยนะมันเสียเวลาอยู่แล้วทำไมเราปล่อยให้สติเสียไปด้วยหลายคนเนี่ยปล่อยให้สติเสียหรือปล่อยให้ ความีเข้ามาองใจนะแทนที่จ ะ, ะเสียแค่เวลานะก็เสียอะไรต่ออะไรมากมาย <S <S ถ้าเราลักตัวเองเนี่ยนะเราก็จะเสียอย่างเดียวเวลาทํางานก็เหมือนกันนะเวลาทํางานนะถ้าเราทํางานเนี่ยนะมันอาจจะเหนื่อยแค่กายแต่ถ้าเกิดว่าเราไปคิดถึงไปนึกเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ก็ทํางานน้อยกว่าเราไปนึกถึงงาน ที่มันต้องใช้เวลานานกว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่เสร็จใจที่บนใจที่บนเนี่ยใจที่ไปปักตึงโดยที่จุดหมายปลายทางโดยที่ไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็ทําให้เราเครียดพอเราเครียดแล้วเนี่ยนะมันจะไม่ได้แค่เหนื่อยกายมัเหนื่ใจด้วยยิ่งเปรีเทียบกับคนเหนือก็ทํางานน้อยกว่าเราเนี่ยเขาไม่มาช่วยงานเราเลยเนี่ยมันจะเหนื่อยสองอย่างเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจบางทีเราก็ต้องปล่อยวางนะใครไม่ใครไม่ทำใครไม่มาช่วยก็ช่างเขา พราะถ้าเราคิดถึงคนที่ไม่มาช่วยเราเนี่ยนะคนที่อู่งานเนี่ยนะเราจะเครียดมากขึ้นะให้ความทุกข์ความสูญเสียนะเนื่องเมือในเมื่อันเป็นอดีตไปแล้วนะมันป่วยการที่เราจะเอามาคิดถึงมันด้วยความเสียดายด้วยความอาลัยถ้าปล่อยวางได้ก็ควรจะปล่อยวางซะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิธีการ นะเบื้องต้นนะั้นในการที่ช่วยทําให้เราเนี่ยรักษาใจให้ปกติช่วยให้เราไม่ซ้ําเติมตัวเองพอถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะทุกข์ใจมากเลยมันจะไม่ป่วยแต่กายป่วยใจด้วยมันจะไม่เสียแต่ทรัพย์แต่เสียอีกหลายอย่างตามมาผู้เจ้าเคยตรัสนะกับพันนันทิยะพันนันทิยะภายหลังก็จะเป็นพระอรหันต์ผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยให้ปล่อยวางทั้งข้างหน้า ข้างหลังและท่ามกลางอารมณ์ใดที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ใดที่เป็นอดีตอ น, นาคตและปัจจุบันนะก็ปล่อยวางซะอารมณ์ใดที่ชอบใจไม่ชอบปจัยก็ไม่ยึดติดถือมัน่นะเขาด่าเราด่าเราบนบกก็ให้วางหรือกองไว้ตรงนั้นอยากเอาลงน้ําเขาด่าว่าเราในน้ําก็ให้กองให้วาง ตรงนั้นอย่าเอาขึ้นบทเขาว่าเขาด่าเรานะในในกูมสสวัสถีก็ให้กองให้วางคำดานะ่านั้นลงไปตรงนั้นไม่ต้องเอาเข้าเชต ว, วันนะวันคร้าเราทุกนะเพราะคำตอบว่าด่าทอซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วนะไม่รู้กี่วันกี่เดือนนะ แ, แล้วแต่เราก็ยังเก็บเอาไว้นะมาทิ้งแทงตัวเองเราต้องเรียนรู้นะในการที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะว่า มันมีแต่จะทิ้งแทงใจเราคำตอบว่าดาทอทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่เก็บเอามานะทิ้งแทงจิตใจเรามือเศษแก้วหรือว่าใบนิโกนเนี่ยเพียงแค่าวางไว้บนฝ่ามือเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้ต่อเมื่อเราบีบเรากำเศษแก้วหรือใบนีดโกนนั่นแหละมันจึงจะมีแผลนะถ้ามีแผลมีเลือดไหลมีความเจ็บ เราจะโทษใบมีโกลเราจะโทษเศษแก้วดีไหมหรือว่ากลับมาถามตัวเองว่าเราไปบีบไปกรร ม, มันทำไมคำต่อ ว, ว่าดาทองทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรานะไม่ไปยึดติดกับมันตรมไหนะแม้กระทั่งคำพูดเนี่ยที่มันไม่ถูกหูเราต้องรู้จักปล่อยจักวางนะเราไม่สามารถจะขอร้องบีบคั้นเรียกร้องให้เขาพูดดีกับเราได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าเราไม่เอาคำพูดเหล่านั้นเนี่ยเอามานะเป็นอารมณ์นะนี่ก็เป็นเรื่องของการรักษาใจให้ปกติแต่อย่างที่อาจมาบอกคือเราทำได้มากกว่า น, นั้นก็คือใช้ประโยชน์จากความทุกข์นะความทุกข์มันมีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้นะในกรณีขอนางสกีสาวก็ตัว น, นี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่า การที่นาเนี่ยประสบความสูญเสียเป็นความสูญเสียที่ใหญ่หลวงมากนะคือสูญเสียลูกแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นวัตถุดิบนะอย่างดีที่ทําให้เธอเนี่ยบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันถ้าไม่สูญเสียคนรักนะถ้าไม่สูญเสียลูกเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นธรรมนะไม่เห็นความจริงนะของชีวิตนะซึ่งประกอบไปด้วยอันที่จังทุกขังอนัตตาแลนะพอเห็นความจริงของชีวิตแล้วเนี่ย ปัญญาเกิดจิตก็หลุดพ้นะความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็มีประโยชนนะ์มันสามารถที่จะเตือนใจให้เราเนี่ยไม่ประมาทเจ็บป่วยแต่ละครั้งเนี่ยอย่ามวัวแต่กลุ้มอกกุ้มใจหรือตีโพยตีพายหาประโยชน์จากมันนะมันกําลังบอกอะไรเรามันา จ, จะบอกเราว่าเราต้อพักผ่อนน้อยเลยพักผ่อนไม่เพียงพอมันา จ, จะบอกว่าเรากินอาหารไม่ถูกต้องชีวิตเราไม่สมดุล แต่มันบอกเราได้มากกว่านั้นอีกบอกเราให้เห็นว่าชีวิตนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงนะร่างกายนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ของเราอาจารย์พุทธบอกว่าเมื่อป่วยทุกครั้งก็ให้ฉลาดทุกทีนะฉลาดเรื่องอะไรฉลาดเรื่องสังขารให้เห็นว่าสังขารนี่มันไม่ใช่ของเราให้ตระหนักว่าวันนี้ป่วยแต่วันหน้าอาจจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป นะให้ตั้งอยในความไม่ประมาทความเจ็บป่วยอย่างเดียวมันสอนเราอะไรเราได้หลายอย่างมากเลยยูที่ว่าเราจะมองมันเป็นหรือเปล่าโ mm hmm. รยเฉพอะเขียนในตอนที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเมื่อเป็นมะเร็งครั้งแรกก็ปีสีเก้าเนี่ยนะท่านก็มีทุกขเวทนาเยอะนะต้องเข้าโรงพยาบาล น, นะแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็พูดท่านก็พูดแบบคนอารมณ์ดีเลยบอกว่า ป่วยนี่ก็ดีเหมือนกันนะมันมีคนทําให้หมดเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแต่ดูไตรับมาแสดงตัวก็พอละเพียงแต่ดูไตรับให้มันแสดงตัวออกมานะหลายคนเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยเอาแต่บนต่นวะุ่วายติโพยตีพายไตรับมาแสดงให้เราเห็นแล้วอันนี้จังทุกขณาตาแต่มองไม่เห็นนะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการที่จะเปิดใจรับรูนะ้ในเรื่องอันนี้จังทุกขออนาตาก็ได้นะ แต่บางคนก็บอกว่าเออป่วยก็ดีเหมือนกันทำให้เรารู้ว่ามีคนรักเราแค่ไหนบางคนป่วยเนี่ยก็ถือโอกาสฝึกทักษะใหมนะ่มีคนนึงเนี่ยแกโดนกระชากนะก็โดนกระชากกระเป๋าเนี่ยหวไปกระแทกพื้นนะแล้วก็กระโหลกล้าวแล้วแล้วสมองบวมปรากว่ า, าหมอเนี่ยสามารถจะช่วยชีวิตเอาไว้ได้อย่า ง, งทันท่วงทีแต่ว่าก็ต้องอยู่ในอยู่บน อยู่บนเตียงเนี่ยเดือนกว่าเธอกใช้โอกาสนี้น ะ, ะฝึกทักษะในการวาดรูปโดยใช้คอมพิวเตอร์นะก็เป็นทักษะอย่างใหม่นะที่เอาไปใช้คามาหากินได้นะเอาไปเพิ่มรายได้ก็ได้แต่นอกจากทักษะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเกี่ยวกับเรื่องศิลปะและทักษะเกี่ยวกับชีวิตเราก็สามารถเจริญรู้ได้จากความเจ็บป่วยเหมือนกันความทุการความสูญเสียก็เหมือนกันนะ มีผู้ชายคนนึงเนี่ยจะเป็นช่างช่างช่างไฟวันดีคืนดีปรากฏว่าถูกไฟฟ้าแรงสูนช็อตไฟฟ้าแรงสูนช็อตที่ขาต้องตัดขาสองขาและต้องการกับัิการตลอดชีวิตแค่นั้นไม่พอนะภรรยาก็ทิ้งไปไม่นานหลังจากนั้นก็ทิ้งไปมีคนถามเขาว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะที่ภรรยาทิ้งไปใจ ต, ตอบว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลย เพราะคุณคิดดูซิแม้แต่ขาผมเนี่ยสองข้างเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เขาให้พรรยามอยู่กับผมได้ยังไงนะผู้ชายนี้เนี่ยตสมาชิกว่าแกได้เรียรู้นะจากการที่ขาเนี่ยถูกตัดแทนที่จะเซลเซียจใจนะกลับได้คิดว่าโว้ขนาดขาเนี่ยมันยังไม่อยู่กับเราเลยตอคิดแบบนี้เนี่ยนะถึงเวลาภรรยาทิ้งก็ไม่ทุกข์ เพราะว่าได้เห็นความจริงตั้งแต่ตอนที่ถูกตัดทาแล้วว่าขานี่เนี่ยสนามมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดสุดท้ายมันก็ทิ้งเราไปมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงมีคนนึงเนี่ยนะช่วงปีห้าสีเนี่ยมันมีน้ําท่วมใหญ่โน้ําท่วมเรียกว่าคลอนประเทศเลยผู้คนสิ้นเนปาดาตัวเป็นจํานวนพันเอาไม่หลายเป็นจํานวนเป็นจํานวนแสนเป็นจำนวนล้าน นะบางรายเนี่ยหมดตัวเลยหลายคนเนี่ยไม่ใช่แ้่หมดตัวนะแต่ว่านิกลนเจริญไปเลยบางคนเนี่ยฆ่าตัวตายแต่มีบางคนเนี่ยไม่ทุกเลยมีผู้หญิงคนนี่ก็บอกว่าเนี่ยน้าท่วมเนี่ยมันก็สอนให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยทุกอย่างมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแล้ววันดีคืนดีไม่น้ําไม่ไฟก็ พาดสิ่งนั้นไปจากเราอันนี้เราเป็นคนที่จะหาประโยชน์จากเหตุการณ์จากความสูญเสียหาประโยชน์จากความทุกข์นะแทนที่จะเสียทั้งทรัพย์แล้วก็เสียใจนะเธอเสียทรัพย์แต่เธอได้ปัญญาได้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอันนี้ตรรมาถือว่าได้กำไรนะเพราะว่า ทรัพย์เนี่ยนะสมบัติเนี่ยเงินเนี่ยหาซื้อใหม่ได้แต่ปัญญาเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยนม้จะเสียครั้งต่อไปนะมันก็ไม่ทุกแล้วอันนี้เราเป็นคนรู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์หาประโยชน์จากความสูญเสียคือคนหนึ่งที่น่าน่าทึ่งมากนะเธอเป็นผู้หญิงอ่า ที่เรียกว่าหน้าตาดีชื่อเคตอนปีสาเนี่ยเธอจะรับเลือกเป็นดาวมาเทลังตอนปี4เธอก็ไปรู้จักผู้ชายคนนึงติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียสมัยนั้นยังไม่มี Facebook Facebook ยังไม่ดังแต่มี Hi ไฟแล้วก็มีบล็อกต่างๆติดต่อผู้ชายคนนั้นในสุดผู้ชายนั้นก็ลงรักเธอ แต่เธอก็ไม่ได้รักเขาแบบนั้นเมื่อมีการนัดพบปากกันผู้ชายคนั้นทราบความจริงว่าเค้กไม่ได้รักเขาเขาผิดหวังมากเบโปรดด้วยเอาน้ํากรดเนี่ยสาดหน้าเธอจนเสียโฉมนะตาบอดไปข้างหนึ่งคนที่เขาเคยภูมิใจหวงแหนนะความสวยงามของตัวเนี่ยพอเสียโฉมแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็อยากทิ้คาดตัวตายไปเลยแต่เธอก็นึกถึงพ่อนึ่ถึงแม่ เลยเปลี่ยนใจไม่ค่าตัวตายแต่ขอย้ายขอย้ายบ้านเพราะอายนะที่จะเห็นคนที่จะไปพบปากกับคนที่เคยรู้จักเธอนะว่าสวยงามแค่ไหนเธอคงอยู่อย่างมีความทุกข์นะแต่ว่าผ่านไปปีสองปีเนี่ยเธอทําใจไนดะ้ทําใจยังไงหนูจะ จ, จะเล่าต่อไปตอนหลังเธอไปทํางานเป็น พนัก ง, งาน call center ที่ธนาคารแห่งหนึ่งทุกวันเนี่ยนะก็จะนั่งรถไฟฟ้าเธอก็ไม่ปิดหน้าตัวเองนะมีคนถามเธอว่าคุณชื่อเคชใชไหมเพราะเธอเคยออกรายการโทรทัศน์เธอก็ตอบว่าใช่แล้วถูกต้องและค่ะไม่ได้รู้สึกอับอายเลยนะมีคนถามเธอว่ า, าเธอเกลียดเธอโกรธผู้ชายคนนี้ไหมเธอบอกเธอไม่โกรธเลยอยากจะขอบคุณเขาด้วยซ้า ขอบคุณเขาที่ทําให้เธอเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นยังไงก็คือหนึ่งมีเวลาอยู่ครอบครัวมากขึ้นเพราะถ้าเธอสวยเนี่ยก็คงจะหลงไปตามแสงสีแต่ข้อที่สองสัมพันธ์กว่าเธบอกว่ามันทําให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่เธอบอกว่าแต่ก่อนที่เธอทําทแล้วก็จะยึดติดมากใครพูดนีดปุ่นหน่อยก็ไม่ได้แชร์เรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองแต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันทําให้เธอได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุ นะเธอใช้คานี้นะทุกอย่างมีวันหมดอายุหน้าตาของเธอความสะอาสวนของเธอก็เหมือนกันนะถ้ามันไม่ไปตอนนี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนะเธอก็คงจะความส่าดสวยเธอคงจะเรื่นหายไปเหมือนกันเธอเห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เพราะปล่อยวางตรงนี้นะเธอสบายใจและเรื่องอื่นมากระทบเนี่ยเธอก็ ไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าไอ้เรื่องที่หลับก่อเ น, นี่ยนะคือเรื่องเสียโฉมเนี่ยเธอก็ปล่อยวางมันได้ทีใครมาพูดกับเธออย่างไงเธอก็ไม่สนใจ น, ะนี่เรียกว่าใช้ประโยชน์นะจากความทุกข์เหมือนกันนะมันดีกว่าเอาแต่เศร้าโศกเสียใจหรือว่าโกรธแค้นพยายามบ่าซึ่งมีแต่ซ้ําเติมตัวมีแต่ทำร้ายตัวเองนะถ้าเรารักตัวเองจริงเนี่ยนะเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้ว ทำให้ดีกว่านะั่นคือว่าใช้ประโยชน์จากมันนะมันสอนให้เราเห็นถึงเรื่องของความไม่เที่ยงอย่างเช่นเขาบอกทุกอย่างมันมีวันหมดอายุและมันทำให้เราให้เธอได้รู้จักการปล่อยวางว่าปล่อยวางใจสบายอันนี้เป็นตัวอย่างทีว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้เมื่อเราเจอความทุกข์นะเราสามารถจะรักษาใจให้ปกติได้และเราต้องจักชวโอกาส หลวงพ่ออมตมันหลวงพ่อคำเขียนนะท่านจะพูดอยู่เสมอว่านักภาวนาต้องเป็นนักช่วยโอกาสไม่ใช่ช่วยโอกาสทุกเวลาที่มีเพื่อการภาวนาแต่รวมถึงการช่วยทุกสถานการณ์นะไม่ว่าจะดีหรือร้ายยิ่งร้ายเนี่ยยิ่งต้องรีบช่วยโอกาสเข้ามาเป็นเครื่องบูชสอนธรรมอย่างที่ท่านนะได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าไอตอนที่ป่วยเนี่ยนะมันก็เป็นโอกาสที่จะได้เห็นไตรักนะไม่ต้องทําอะไรนะให้ใคร แค่ให้แค่ดูไต่ลักมาแสดงตัวออกมาเนะี่ยก็ได้ไ ป, ดะนะประโยชน์จความเจ็บป่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, อ, ะอยากจะให้เราตระหนักว่าสิ่งสำคัญเนี่ยสุขหรทุกจริงๆินวิธีใจหลายคนเนี่ยมักจะอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเจอสิ่งดีๆเวลาไปทำบุญเวลาไปอธิษฐานก็อธิษฐานก็คอยได้เจอสิ่งดีๆเจอโชคเจอลาช นะเจอเจ้านายที่ถูกใจนะเจอนะเพื่อโรงงานที่ดีเจอคู่ครองนะที่เข้าใจที่รู้ใจแต่เราอย่าลืมว่าเจออะไรไม่สำคัญทั้งกว่าใจเป็นอย่างไรเจอสิ่งดีๆแต่ถ้าใจเนี่ยนะนะวางไม่ถูกวางไม่เป็นก็ทุกข์นะเจอสิ่งดีๆเนี่ยหลายคนได้โชคได้ลา แต่เร็ยังทุกข์เพราะใจมันอยากจะได้อีกใจมันไม่รู้จักพอนะเพื่อต่อมาคนหนึงเป็นนักเล่นหุ้นตอนนี้เขาเลิกเล่นไปแล้วนะก็บอกตอนที่เล่นหุ้นเนี่ยเขาอยากได้เงินแต่ตอนที่อยากได้ความสุขนะจะเล่นหุ้นต้องเรื่องนะั้นเจ้าเงินหรือจเจ้าความสุขไปก่อนเอาเงินตอนหลังเนี่ยคิดว่าพอแล้วเอาความสุขดีกว่าก็เลยเลิกเล่นหุ้น แต่ตอนที่เขาเล่นเนี่ยเขาไปเจอคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเล่นหุนเป็นประจำเหมือนกับเขาคุณป้าจะไปตลาดหุ้นทุกวันคุณป้าบอกว่าคุยลปคุณมาคุณป้าบอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยขายหุ้นไปล็อตหนึ่งล็อตใหญ่เลยได้กำไรสิบล้านเพื่อนําก็บอกว่าขอแชร์ความดีดีด้วยครับคุณป้า คุณป้าบอกยินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายขึ้นวันนี้ฉันได้กำไรแล้วยี่สิบล้านคุณป้าไม่ไดีใจนะที่ได้สิบล้านสิบล้านนี่คือกำไรนะสิบล้านนี่มันเท่ากับถูกรถเรื่อยมาที่หนึ่งเนี่ยกี่ใบเนี่ยทำไมคุณป้าทุกข์ท่าเนี่ยครับเพราะแกไม่เชื่อแ ก, แแกได้สิบล้านแกเชื่อแกเสียสิบล้านใช่ไหมคนเราเนี่ยแม้ได้โชคนะแต่ถ้ามองไม่เป็นนะได้คือเสียนะ ได้สิบล้านก็คือเสียสิบล้านนะแต่พวเราถ้ามองเป็นนะเสียคือได้อย่างผู้หญิงคนที่เสียทรัพย์เพราะน้ำท่วมเนี่ยแต่แกได้หรือไ ด, ได้ได้ธรรมะได้ปัญญาได้เรนรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยคุณป้าคนนี้เนี่ยวันรุ่งนี้กมวันรุ่งขึ้นแกก็ไปมาที่ตลาดหุ้น เพื่อตามะก็เพื่อตามะก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าคุณป้าหายไปไหนได้คา ต, ต่อคุณป้าเขาเ้าโรงพยาบาลแล้วข้าพ่อะนนะอะไรทาบไหมครเพราะว่าได้กําไรแค่สิบล้านอัตมาจะบอกว่าเจออะไรไม่สาคัญเท่ากับว่าใจเป็นอย่างไรคนส่ญนใหญไปคิดแต่ว่าขอได้เจอสิ่งดีดีแต่ลืมที่จะมาใส่ใจกับเรื่องของจิตใจลืมที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยมันมีคุณภาพ ถ้าจเรามีคุณภาพนะแม้เจอสิ่งที่แย่ก็ยังเป็นสุขได้นันแะทนที่เราจะมาใส่ใจแต่ว่าขอให้ได้เจอสิ่งดีๆหรือว่าที่ลอยขนฝ่ายเพื่อจะให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะให้มาให้ความสำคัญกับเรื่องใจบนะ้างพอเจออะไรก็แพ้ใจทั้งนั้น เจอสิ่งที่แย่นะแต่ว่าถ้าใจดีใจเป็นกุศลใจมีสตินอกจะกปล่อยวางมันก็เป็นสุขได้นะแม้จะเสียขานะแต่ว่าใจก็ไม่ทุกแนะม้จะพิการกแต่ว่าก็ยังมีความสุขได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะลองนะลองกลับมาดูใจของเราทุกครั้งที่เราป่วยทุกครั้งที่เรามีความทุกข์ใจเนี่ย จะพิ่งไปโทษสิ่งภายนอกนะให้กลับมาดูที่ใจของเราเวลาใครตอว่าด่าทอเนี่ยเราเราทุกข์เราโกรธเราแค้นเนี่ยอย่าไปโทษที่อย่าไปโทษเขานะต้องมาดูที่ใจเราเพียงเพราะเราวางใจไม่ถูกถ้าระวังใจเป็นนะคำต่อว่าด่าทอเนี่ยยังสามารถทําให้เรายิ้มได้แม่ชีษาเนี่ยเป็น เป็นแม่ชีของวรรัดถ้ำวัดถรำกรองเพลงของหลวงปู่ขาวอนาเรียวแม่ชีขานเป็นคนที่สนใจฝ่ายอุปถาดดูแลพระเนนดีมากแล้วก็สนใจธรรมะด้วยปฏิบัติจริงจังหลวงปู่ขาวเนี่ยก็ชมวันนึงเนี่ยหลวงปู่ขาวก็สั่งให้ลูกศิษย์สองรูปเนี่ยไปดา่าแม่ชีสาทั้งสองรูปนี้ก็งงนะ ครูแม่ชีสานี่ก็ดีเรียบร้อยแต่ครูบาจารย์สาก็ต้องไปไปที่กุฏิไปถึงกระด่าเลยนะสันหาถ้อยธรรม ด, ดาแม่ชีสาที่แล้วก็งงแต่ว่าก็ตั้งสติได้ก็พนมมือนั่งฟังพอครูบาจารย์ด่าจบแม่ชีสา ท, ทั่เชียรโกรธเชียรน้อยนื้ต่ำใจว่าทําไมครูบาจารย์ว่าฉันท่านอุตส่าห์ทําดีท่านอุตส่าห์อุปถามพระ นี่แล้วทําไมครูบาอาจารย์บอกว่าแล้วถ้าคนอื่นเขารู้ว่าครูบาอาจารย์มาดา่าฉัน้น้าวนาไปไว้ไหนมันจะไม่ชี้สาไม่มีความโกรธไม่มีความเล่ตัณใจแบบนี้เลยอาจี้สากลับพูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ดูด่าหมดเล้วเหรอที่ชั้นชาวลสาวซึ้งใจเหลือเกินเสียงดานี่เป็นเสียงธรรมะล้วนๆเลยขานนาที่โดนด่าใหม่นะมันจะได้กิเลนที่ได้หมดสักที กิเลสจะได้หมดสักทีโือทำให้ชีสารเนี่ยจะเห็นว่าคําด่าเนี่ยนะมันเป็นประโยชน์รู้จักเชืโอกาสใช้คําด่ามาเนี่ยเพื่อมันเป็นเครื่องเครื่อขูดกิเลสนะเราเคยคิดถึงแบบนี้มั้ยว่าไอ้คําด่ามีประโยชน์นะสามารถจะมาใช้เป็นเครื่องมือสอนทําให้กับเราได้สามารถเอามาเป็นเครื่องมือนะขูดกิเลสหรือว่าลดอัตราตัวตนได้ เราคิดแบบนี้บ้างนะแต่พอเราคิดไม่ได้เนี่ยเราไม่คิดแบบนี้เนี่ยเวลามีใครดูด่าว่ากานเราเอาตัวตนเขาออกรับนะเราก็เอาคำพูดเขาเนี่ยมาคิดเขาด่ากูเขาว่ากูก็เลยทุกเนี่ยแตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะลองนะลองนะเวลาเราทุกข์ใจพ่อเราก็ตามเนี่ยลองกลับมาดูที่ใจเราเออเราวางใจผิดไหม และเราจะใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรชื่อมันใช้ประโยชน์ได้เสมอไม่มีอะไรที่ร้ายประโยชน์อา ต, ตมาก็ใช้วเวลากอสมควรแล้วนะก็ขออุตติการรรยาจะเป็นเ่า ง, งา น, นี้เรียขออาสาสมัครคือ